ขอเจริญพรท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุมประธานอำนวยการพลเอกมังกรโกสิล์เสนีประธานจัดงานและคุณจริงพิพัฒเวชประธานฝ่ายครือข่ายรวมทั้งท่านสาธุชน ท่านผู้เข้ารับรางวัลทุกคนในวันนี้เราได้มาประชุมร่วมกันในโอกาสที่ใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาและเป็นวันมาฆบูชาที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะหลายท่านได้เข้ารับประธานรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมซึ่งจะจัดพิธีขึ้นในบ่ายวันนี้โดยปรารพการทำกิจกรรมในฐานะผู้นำทางศิลธรรมของผู้เข้ารับรางวัล และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างกลุ่มของผู้จะได้ขับเคลื่อนในการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้นำศิลธรรมทั้งหลายจะได้มาช่วยส่งเสริมกิจการเหล่านี้ ซึ่งในทางปฏิบัติท่านทั้งหลายก็ทำอยู่แล้วแต่ว่าการตั้งชื่อรังวัลว่าเสาอาโศกผู้นำศิลธรรมมีมนัยยะที่เกี่ยวข้องกับผู้นำทางศิลธรรมฝ่ายคฤหัสถ์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตคือพระเจ้าอาโศกมหาราช พระเจ้าอโศกมหาราชท่านได้เป็นผู้นำในการส่งเสริมศีลธรรมอย่างไรบ้างจนเป็นต้นแบบของผู้นำที่ทั่วโลกที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยต้องการถือเป็นแนวปฏิบัติพระเจ้าอโศกมหาราช คลองเนดินในชมพูทวีปเมื่อพศออ200เศษก็คือ 2,300 ปีผ่านมาแล้วกิจกรรมที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทำเพื่อการอุุถัธรรมพระพุทธศาสนามีในยะที่ยิ่งใหญ่เป็นต้นแบบในหลายประการ โดยสรุปก็คือทําตามที่พระพุทธเจ้าได้ประทานอาไว้ก่อนจะเสด็จดับขันธพระปรินิพานว่าพระองค์สามารถปรินิพานคือดับได้เพราะพุทธบริสัทมีความสามารถบริบูรณ์ในสี่เรื่อง เรื่องที่หนึ่งก็คือศึกษาธรรมะจนมีความรู้แตกฉานเป็นพระผู้สูตรเรื่องที่สองปฏิบัติตามธรรมะที่ศึกษานั้นเรื่องที่สเผยแผ่ประกาศ ธ, ธรรมะที่ศึกษาและปฏิบัติ และเรื่องสิทธิ์สุดท้ายเรื่องที่สี่อุปถัมภ์บำรุงคุ้มคลองพระพุทธศาสนาสามารถคมขีประับประวาดที่มาว่าร้ายหรือโจมตีพระพุทธศาสนาได้วันนี้ที่เรามาพูดกันเรื่องสถานการณ์พระพุทธศาสนา ก็เพื่อดูว่าเป็นไปเพื่อเอื้ออำนวยต่อเรื่องทั้งสี่แค่ไหนเพียงไรการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นไปด้วยดีทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างไรเรานำธรรมะคําสอนนั้นมาปฏิบัติแค่ไหนเพียงไรได้มีการประกาศเผยแพ่ด้วยวิธีการเดิม และวิธีการใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในยุคดิจิทัลแค่ไหนเพียงไรและเมื่อเกิดปัญหาต่อสถาบันพระพุทธศาสนาเราได้ออกมาปกป้องคุ้มครองอุปถัมภ์พระพุทธศาสนากันแค่ไหนเพียงไรพระเจ้าอาโศกมหาราชเป็นมหาราชชาวพุทธต้นแบบ ในการดาเนินการกระทมในสี่ประการพระองค์ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเผยแผ่ธรรมะและอุปถัมภคุ้มครองพระพุทธศาสนาที่ว่าทรงศึกษาธรรมะก็เกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์ยกทัพรวบรวมแผ่นดินอินเดีย ในชมพูทวีปให้เป็นหนึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอินเดีย<ม>เราคงทราบดีว่าในสมัยพระเจ้านั้นอินเดียแตกออกเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยเป็นแคว้นมากมายหลายแคว้นแต่หลังจากพระเจ้าประนิพนธได้สองร้อยกว่าปีพระเจ้าอาโศก ได้รวบรวมอินเดียให้เป็นประเทศเดียวมีพื้นที่ยิ่งใหญ่กว่าอินเดียในปัจจุบันเพราะรวมทั้งอินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานจนกระทั่งบงางปละเทศเป็นอาณาจักรของพระเจ้าอาโศกมหาราชเกิดขึ้นไล่ๆกับในประเทศจีนจินซีฮ่องเต้ก็รวบรวม แหวนหรือกบต่างๆเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นปรากฏการณ์ของโลกไล่ๆกันเมื่อพระเจ้าอาโศกได้รวบรวมแผ่นดินอินเดียชมพูทวีปเป็นหนึ่งมีทรัพย์มีอำนาจมีเกียรติอันยิ่งใหญ่คำถามที่เกิดขึ้นในใจของพระเจ้าอาโศกก็คือ ต่อไปนี้จะทำอะไรยศทรัพย์อำนาจมีหมดแล้วเราจะใช้สิ่งเหล่านี้ทำอะไรต่อไปพระเจ้าอาโศกจึงได้ไปเข้าสนทนาธรรมกับผู้นำาศาสนาทั้งหลายถึงเวลาศึกษาธรรมะ เมื่อไปสนทนาศึกษาธรรมะในที่สุดก็มาศรัทธาพระพุทธศาสนาเมือ่อศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระเจ้าอโศกยุติสงครามการลุกรานดินแดนใต้เขียงเปลี่ยนนโยบายจากสงครามวิชัย เอาชนะด้วยความรุนแรงเป็นธรรมะวิชัยเอาชนะด้วยธรรมะแทนที่จะส่งกองทัพไปยึดบ้านเมืองอื่นพระเจ้าอาโศกส่งทูตคารวาดเนี่ยไปผูกสัมพันธ์ทมัยตรีส่งสมณทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่างที่เรารู้กันดีว่าเกสายหนึ่งในเกสายนั้นมาดินแดนสุวรรณภูมิก็คือที่เป็นประเทศไทยนี้และเราก็บอกว่าอยู่นคะรปฐมนี่แหละเนี่ยจังหวัดเนี้ยโยงกับพระเจ้าอาโศกเลยนะพูดให้โยงจนได้เมื่อพระโศนะอุตระหนึ่งในเก้าสายเนี่ย มาที่ตนภูงศ์ก็มาที่นครปฐรมปฐมก็คือแห่งแรกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเราจัดงานนี้ก็เชื่อมเลยนะกับพระเจ้าอาโศกและมอบรางวัลสาวอาโศกผู้นาศิลธรรมพระเจ้าอาโศกทำอะไรอีกเปลี่ยนจากสงคลามวิชัย เป็นธรรมะวิชัยเอาชนะโดยธรรมปฏิบัติธรรมอย่างไรเมื่อพระเจ้าอาโศกขึ้นครองราชประกาศอภัยทานไม่มีการฆ่าสัตว์บูชายันในเดินแด น, นของข้าพเจ้าไม่มีการออกไปที่เราเรียกกันว่า เข้าป่าล่าสัตว์พระเจ้าอาโศกปกติพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนเนี่ยจะมีเกมเกมกีฬากรีธาเนี่ยออกล่าสัตว์ยิงคล้ายๆกับทุ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเสือดงเสือดำานมันเป็นเกมกีฬาของผู้มีอำนาจไม่ว่าจะอำนาจเงิน หรืออำนาจทางการเมืองพระเจ้าอาโศกบอกต่อไปนี้ไม่มีการเข้าป่าล่าสัตว์เพราะเวลาเข้าป่าล่าสัตว์นี่ไปเป็นขบวนะผู้ติดตามผู้ตามเสด็จในประเทศไทยในเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยพระพันวสาก็ไปล่าสัตว์ที่สุพรรณจนพ่อขุนแผนเพราะต้อนขัดไม่ได้หรือไรถูกฆ่า มันเป็นเรื่องที่ทากันมาพระเจ้าอาโสกบอกว่าต่อไปนี้ถ้าใครจะตามเสด็จขบวนของเราไม่ใช่ออกไปเข้าป่าร่าสัตว์แต่ให้เป็นธรรมยาตราจาริกแสวงบุญเดินทุดมปฏิบัติธรรม มีสังเวชนิยสถานเกี่ยวกับพระเจ้าที่ไหนไปที่นั่นนำขบวนธรรมยาตาไปที่ประสูตรตรัสรู้แสดงประถมะเทศนาปรินิพานของพระเจ้าไปถึงพุทธคยาปักเสาเลยเสาศิลากลมๆเนี่ยนะต้อง หัวเสามีรูปราชสีห์สิงโตหันหลังเข้าหากันสี่ทิศอยากจะรู้ว่าเสานี i เป็นอย่างไรเดี๋ยวตอนมารับตอนเย็นเนี่ยนะตอนบ่ายนี่แหละนั่นคือเสาอโศกพระเจ้าอโศกให้ปักเสาในสถานที่สำคัญว่าตรงนี้ประสูด นี่ตัดสรุนี่ป hmm. ระนิพานจึงเป็นเหตุให <away> okay. ้ชาวพุทธทุกวันนี้เนี่ยสามารถชี้ได้เลยพุทธเจ้าประสูต์ตรงไหนตัดสรุตรงไหนเพราะอะไรเหตุการณ์ผ่านมา 2,500 ปีเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานแสดงไว้เนี่ยไม่มีใครรู้เหตุเกิดในประเทศไทยเรายังไม่เคยรู้เลยถ้าเรามีหลักฐานโบราณคดีแค่ไม่กี่ร้อยปีแต่ชาวพุทธ ในโลกนี้โชคดีที่พระเจ้าอาโศกปักเสาแสดงหลักฐานไว้ให้นี่คือคุดูประการที่ยิ่งใหญ่ในเชิงประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเพราะพระองค์ถือกำเนิดหลังพระเจ้าแค่200อกว่าปีจึงเป็นหลักฐานที่สำคัญที่เราคนไทยไปจาริกสแสบงบุญในอินเดียทุกวันนี้และไม่ได้ปักเสา อโศกเพื่อแสดงสถานที่สำคัญอย่างเดียวพระเจ้าอโศกยังให้สลักเสาสิลาจารึกทั่วอินเดียชมพูทวีปในสมัยนั้นแล้วเขียนธรรมะลงในสิลาจารึกสอนธรรมะแก่ประชาชนพระสบนี้ก่อน จึงทำให้คนในสมัยนี้เนี่ยอ่านศิลาจารึกของพระเจ้าอาโศกซึ่งยังอยู่รู้หมดเลยว่าพระเจ้าอาโศกทำอะไรที่ไหนสอนว่าอย่างไรมาจากศิลาจารึกของพระเจ้าอาโศกมหาราชนี่แหละตัวสองตัวแปลทั้งเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยทุกคนสามารถอ่านได้นะหนึ่งในศิลาจารึกที่พระเจ้าอาโศก ได้จารึกไว้ถาท่านตั้งเขียนจารึกไว้อย่างนี้ว่าเกียตรติอำนาจทรัพย์มีเพื่ออะไรทรงตอบเองยศทรัพย์อำนาจจะไม่มีความหมายต่อพระองค์เลยถ้าไม่ใช้เพื่อการประกาศธรรมะ มีเงินมีทองมีอำนาจวาสนาแต่เอาไปบริโภคไปใช้ในตนเองหมู่ญาติมันก็แค่นั้นพระเจ้าอาโศกแสวงหาอำนาจได้อำนาจมาใช้อำนาจนั้นในการเผยแผ่ธรรมะในการประกาศพระศาสนาไม่ไม่ได้หมายความว่า เงินทองทรัพย์สินอำนาจไม่มีประโยชน์บางทีเป็นโทษมันฆ่าตัวผู้หลงอำนาจแต่ถ้าผู้มีอำนาจนั้ น, นไม่ว่าจะเป็นเกียรต์เป็ น, นอำนาจเป็นยศใช้เป็นฐานในการประกาศธรรมะเผยแผ่ธรรม ะ, อ, ะอำนาจนั้นเป็นคุณทรัพย์นั้นเป็นคุณ พระเจ้าอาโศกได้วางแนวปฏิบัติของอุบาสกอุบาสิกาบริษัทไว้อย่างนี้ทำงานหาเงินมียศมีอำนาจมาอุปถัมบำรุงประกาศพระศาสนาอย่าไปนอนเกาะจนตายเป็นปู่โสมเฝ้าซั์หรือมีอำนาจแต่ไม่ได้ใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์ ในการส่งเสริมศีลธรรมเพราะฉะนั้นจึงเป็นต้นแบบของธรรมราชาทั่วโลกพระมหากษัตริย์ในประเทศที่พุทธถือพุทธศาสนาพอขึ้นครองราชจะประกาศตนเองเป็นอโศกมหาราชหรือนโยบายเดียวกันเป็นธรรมราชาในญี่ปุ่น พระเจ้าโชโตกุของญี่ปุ่นในสมัยโบราณเขียนรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นในสมัยโบราณโดยธรรมะเข้าไปพระเจ้าโชโตกุจกักรพรรดิโชโตกุประกาศตนเองเป็นอโศกแห่งญี่ปุ่นในประเทศไทยเมื่อสถาปนาสุขโขทัย พระเจ้าแผ่นดินเรียกพระองค์เองว่าธรรมราชาพระมหาธรรมราชาลิไทยพระราชนิพนคำสอนธรรมะเช่นเดียวกับพระเจ้าอาโศกเรารู้จักกันในนามว่าไตรภูมิราร่วงดาเนินตามพระราชจริยวัตรของพระเจ้าอาโศกมหาราช เมื่อเจ็ดสิบปีที่แล้วพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์องค์ที่ 9, เก้าเสด็จขึ้นคลองราชได้ประกาศในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม การขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองแผ่นดินมีอำนาจแต่ไม่ใช่เพื่อตอนเองเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงอุปถัมบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นองค์อักคราสนูปถมัมภก ก็ถือตามคติของธรรมราชาที่พระเจ้าอาโศกได้วางรากฐานเอาไว้ผู้นำทางศาสนาทางศิลธรรมดำเนินตามพระราชจริยวัตรของพระเจ้าอาโศกมหาราชดังกล่าวมาจนเรานำพาพระพุทธศาสนามาถึงยุค ปัจจุบันตั้งแต่พระเจ้ายูพระาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10มาจนถึงพวกเราชาวพุทธทั่วไปก็ดำเนินตามแนวนั้นมาจนถึงวันนี้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ประเทศไทย 4.0 สถานการณ์การศึกษา ปฏิบัติเผยแผ่อุปถัมภ์คุ้มครองพุทธศนเป็นอย่างไรหลายท่านอาจจะยังไม่ชัดคำว่าประเทศไทย 4.0 คืออะไรประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0 เป็นโมเดลเป็นแบบในการพัฒนาประเทศจากนี้ไปที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นแผนแม่บทในการพัฒนา ประเทศโดยตัดตอนจากคำประกาศของธนาคารโลก World Bank เมื่อปี2554หกปีมาแล้วเป็นจุดเริ่มของไทยแลนด์ 4.0 ในปี2554ธนาคารโลก ได้ประกาศเลื่อนอันดับการพัฒนาของประเทศไทยให้สูงขึ้นธนาคารโลกได้แบ่งอันดับการพัฒนาเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกนี้เป็นสี่กลุ่มกลุ่มต่ำสุดยากจนสุดเรียกว่าประเทศมีรายได้ต่ำ low income countries เช่นเอธิโอเปียเนี่ยสูงขึ้นมาเรียกว่าประเทศที่มีรายได้ปานกลางรายได้ต่ำนะแล้วก็สูงขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางและดับล่าง lower middle income countries ในกลุ่มนี้คือประเทศเพื่อนบ้านเราลาว กัมพูชาเมียนมาส่วนใหญ่ในอาเซียนอยู่ในกลุ่มโล w ์โลว์เวอร์มิดเดิลอีทมิดอินคมนีประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้มาจนถึงปี 2,554 ธนาคารโลกก็ประกาศเลื่อนอันดับความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยไปชั้นที่สูงขึ้นเรียกว่าไฮเออร์ม d d เด i n อินค c ม u n น r i ี s ประเทศมีรายได้ปานกลางระดับสูงในกลุ่มนี้คือไทยใกล้บ้านเรามาเลเซียอาเซียนมีแค่สองประเทศพอประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี้เราก็มองสูงขึ้นไปว่าจะขอยกระดับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง แต่ธนาคารโลกบอกว่าแค่ที่เป็นมาถึงขั้นนี้ก็อัศจรรย์แล้วในชั่วงเจเนเรชันเดียวรุ่นคนรุ่นเดียวประเทศไทยสามารถยกระดับจากมีรายได้น้อยรายได้ต่ําำรายได้ปลายทางระดับล่างขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได้ปลายทางระดับสูงในชั่วอายุคนเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ และคำว่าช่วอายุคนก็คือช่วงช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงนำประเทศขึ้นมาอยู่ระดับนี้และต่อไปนี้เราก็มองว่าในรัชรัชสมัยปัจจุบันเราจะผักขับเคลื่อนยกประเทศขึ้นไปสู่ชั้นที่หนึ่ง เรียกว่า high income country ประเทศที่มีไรายได้สูงกลุ่มที่อยู่ในประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้คือในในอาเซียนมีประเทศเดียวสิงคโ ป, โปร์เกาหลีใต้อยู่ในกลุ่มนี้ญี่ปุน่นสหรัฐอเมริกาตอนนี้ประเทศไทยจะยกตัวเองขึ้นไปสู่ ชั้นหนึ่งประเทศมีรายได้สูงตั้งเป้าไว้ว่า20ปีข้างหน้าจะไปถึงให้ได้เพราะฉะนั้นขยันหายใจเข้าไว้20ปีพบกันชั้นหนึ่งแล้วทำอย่างไรจึงจะยกประเทศไทยไปสู่ชั้นหนึ่ง ประเทศมีรายได้สูงตอบว่าโดยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประเทศไทย 4.0 เนี่ยเป็นโมเดลสำหรับประเทศไทยยกประเทศขึ้นไปตรงนั้นก่อนที่จะไปว่าทำอย่างไรแนละพุทสนาจะอยู่ตรงไหนเนี่ยมีอีกรายงานหนึ่งของธนาคารโลกเว r l d b แบ k ์ออก ประกาศรายงานรีพอร์ตมาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วสามเดือนที่ผ่านมายกย่องประเทศไทยอีกยกย่องประเทศไทยว่าประสบความสำเร็จก้าวหน้าในการพัฒนาเช่นเดียวกับมาเลเซียยกยกตัวอย่างสองประเทศเท่านั้น มาเลเซียกับไทยนี่ประสบความสำเร็จในบรรดาประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกสามารถพัฒนาในรอบยี่สิบปีเนี่ยเกือบยี่สิบปีเนี่ยทำตั้งแต่อัาสิบห้าปีสามารถขจัดความยาก จ, จนของคนในชาติ ตั้งแต่ตั้งแต่ปี2002ถึง2015ขอสอนะเราสามารถเลื่อนระดับคนไทยให้พ้นเส้นแบ่งความยากจนสาปารชาติจัดคนยากจนในโลกนี้ออกเป็นสองกลุ่มจนที่สุด เขาเรียกว่าจนที่สุด extreme poor เนี่ยกลุ่มหนึ่งแล้วก็จนพอประมาณ moderate poor ไม่ทราบว่ามีบ้างเปล่าแถวนี้ไม่มีแล้วประเทศไทยไม่มีสองกลุ่มนี้แล้วในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเรากระจัดความยากจนไม่มีคนที่เอาเอาว่าอย่างนี้นะ Extreme p o เ r เนี่ยจนที่สุดนี่มีรายได้ต่อวันเท่าไหร่รู้ไหมสารวัตรย่าข้าเขาจัดไว้ยี่สิบสี่บาทใครที่มีเงินติดกระเป๋ามีรายได้วันละยี่สิบสี่บาทเนี่อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ใช่คนที่ภรรยาให้ไปทำงานยี่สิบบาทนะคนละกลุ่มนะมีรายได้ต่อวัน ไปทาบุญที่วัดเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาหยอดกันเท่าไรอย่างน้อยยี่สิบาทนะแต่ประเทศหลายประเทศในโลกนี้เนี่ยอยู่ด้วยรายได้วันละยี่สบี่บาทนี่จนที่สุดท่านปรากฏกลุ่มนี้ประเทศไทยไม่มีสูงขึ้นมากว่านั้นเรียกว่าจนปานกลางเราก็ไม่มีสูงขึ้นมาเขาเรียกว่า เสี่ยงที่จะจนคือพ้นความยากจนแต่ล่อแร่นะเกิดน้ำท่วมดีจนเหมือนเดิมอีกแล้วฉะนั้นกลุ่มนี้คนไทยอยู่ในกลุ่มนี้ส0บเอร์ซสูงขึ้นมาอีกเรียกว่าอีโคโนมิคลรีเซคิมั่นคงในทางเศรษฐกิจไม่จนอีกแล้ว คนไทยทั้งประเทศธนาคารโลกบอกว่าเราอยู่ในกลุ่มนี้ 50% ครึ่งประเทศเพราะฉะนั้นสงสัยเหมือนกันว่าไอ้ที่ไปจดทะเบียน10ล้านเนี่ยนะมันอยู่กลุ่มไหนแน่นะตามธนาคารโลกเนี่ยทีนี้กลุ่มที่เรียกว่าท้นเขตมีความมั่นคงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าชนชั้นกลาง m i d เ l e Class เรามีคนชั้นกลางอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสสบสี่เอร์เซตามที่ธนาคารโลกจัดเพราะฉะนั้นหนึ่งในสามของคนไทยเนี่ยเป็นชนชั้นกลางคำถามเมื่อเราขึ้นไปเป็นประเทศที่มีไรายได้สูงเราต้องยก คนชั้นกลางให้สูงตามไปด้วยมาเลเซียตอนนี้นำหน้าเรามีชนชั้นกลางห0สบปรซประเทศไทยมีชนชั้นกลาง 34% ปอร์เซแต่เขาถือว่าประสบคัามสเร็จเหมือนกันทีนี้ในจำนวนที่ว่าเนี่ยชนชั้นกลางและคนที่มีเศรษฐกิจมั่นคงเนี่ย รวมกันแล้ว 80% ของคนในประเทศคนไทยเนี่ยนะผนความยากจนฉะนั้นจึงถือได้ว่าประเทศไทยเนี่ยได้ส า, สามารถพัฒนามาสู่จุดนี้ได้โดยกระบวนการที่เรียกกันว่าอะไรสิ่งที่เราจะต้องมองต่อไปข้างหน้าเนี่ยถามว่าในเมื่อความเป็นจริงเนี่ยนะ คนไทยที่เป็นชนชั้นกลางนี่แค่ 30% สอซอีก 70% ็สเซนตี่ยต่ำกว่านั้นแล้วเขาจะอยู่ด้วยระบบเศรษฐกิจอะไรจะวิ่งนำหน้าโดยระบบยุคดิจิตอลเอาคำสอนในทางศาสนาพาค น, คนชั้นกลางขึ้นไปข้างบนนันเหรอแล้วคนอีกกล่สิ็ด ทำอะไรท่านเพราะฉะนั้นอย่างไรเสียเราหนีไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังมีความหมายดูแลคนอีกห0สิบเจ็ดิบเปอร์เซ็นถ้าเขาไม่สามารถจะขึ้นเป็นชนชั้นกลางได้เราจะไปกระตุ้นให้เขาบริโภคกระตุ้นให้เขาโลภแล้วในที่สุดเป็นหนี้เป็นสินตกลงไปอีกหรืออย่างไร ธรรมะจะต้องเข้ามาตรงนี้ถามว่าสิ่งทีพพ่พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าแผนดินรัชการที่ก้าได้ทำไว้ที่เรียกว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยโดยเอาประมวลคำสอนทางพุทธศาสนามาให้เนี่ยเราทิ้งไม่ได้สรุปไว้สี่ข่ำสี่ประโยคสิ่งที่พระองค์ทำมาตลอดพระชนชีพเนี่ยเราจะต้องรักษาและสืบต่อดูแลคนอีกหกสิบเจ็ดสิเเซ็ตของประเทศโดยผสม กับธรรมะในพุทธะ uh huh. เราเรียกกันว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือปรัชญาเศรษฐกิจที่เป็นมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลาง oh. ข้อที่หนึ่งที่ขาดต้องเติมให้เต็มข้อสองที่เต็มให้รู้จักพอ <Okay. S 1> สามที่พอให้รู้จักแบง่ง <Okay. S 1> สี่ ที่แบ่งต้องให้เป็นธรรมถ้าเราเอาธรรมะในพุทธศาสนาซึ่งอยู่ในปรัช ญ, ญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ขับเคลื่อนประเทศเราจะไปได้สวยอย่าไปทิ้งตรงนั้นขาดเติมให้เต็มอย่างไรพระเจ้าพระเจ้าแผ่นดินรัชการที่เก่า มีโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อเติมให้เต็มเนี่ยสี่พันกว่าโครงการตลอดรัชกาลของพระองค์แก้ปัญหาสามเรื่องโง่จนเจ็บคนโง่ไม่มีงานทำก็จนจนก็เจ็บสุขภาพไม่ดีก็ไอคิวก็ต่ำมันก็เป็นวัตจักรโครงการในพระราชดำริของพระองค์ ต่อสู้กับความยากจนเป็นส่วนใหญ่เรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเราต้องทำต่อไปดูแลประชาชนของเราต่อไปพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยดูแลประชาชนงานของคณะสงฆ์มีหกด้านปกครองสาธารณกษาศึกษาสงเคราะ์เผยแผ่ขนุประการสาธารณสงเราะห์เมื่อเมื่อโง่ เราต้องให้ศึกษาสมเพราะ์พระสงฆ์หลายรูปที่ได้รางวัลนี่มาจากงานศึกษาสมเพราะ์ที่จนสาธารณสมเพราะ์เป็นงานของคณะสงฆ์อยู่ในพราบาพระใหญ่คณะสงฆ์สองพนห้างานหกด้านเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ยกย่องผู้นำที่เป็นพระสงฆ์นี่คืองานเหล่านี้ด้วย การศึกษาสงเพราะาศาสนะสงเพราะต้องทำต่อไปในยุคนี้เมื่อเศรษฐกษิจดีโดยรวมพ้นคว า, ามยากจนคนทำบุญมากขึ้นเงินที่มากที่มากองอยู่ที่วัดเนี่ยถามว่าพระคุณเจ้าใช้ทำอะไรถ้ากองอยู่เฉยๆฝ่ายปฏิรูปเขาก็จะมาตรวจแล้วนะ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำบัญชีต้องทำบัญชีตามที่กําหนดอะรายได้โยมบริจาคเข้าวัดพระคุณเจ้าโปรดทราบต่อไปไม่ต้องมีอนุโมทนาบัตรไม่ต้องมีใบเสร็จใช้ระบบออนไลน์ใครที่บริจาคเข้าวัดเนี่ยนะ วัดก็จะเข้าไปในออนไลน์แจ้งไปถึงกรมสรรพากรเวลาลดหย่อนภาษีไม่ต้องอนุโมทนาบาัตรเพราะกรมสรรพากรเนี่ยทราบแล้วตอนนี้นำร่องอยู่ส9ิบ้าวัดเสร็จเมื่อไหร่ใช้ทั่วประเทศใครทำบุญที่ไหนรู้หมดฟอกเงินรู้หมดยุคไทยแลนด์สี่จศนวัดไหนรวยก็รู้หมดน่ะ เก็บเอาไว้ทำอะไรท่านมาทำงานศึกษาสงเคราะห์ทำงานสาธารณสงเคราะห์พัฒนาประเทศแล้วศาสนาก็จะไปด้วยกันหลวงพ่อคูณน่ยทำไมคนชอบเอาเงินไปถวายท่านน่ะถวายสองร้อรับไว้หนึ่งร้อยอีกหนึ่งร้อยเก็บไว้ไปแทงหวย เลขเพราะฉะนั้นพระอย่างหลวงพ่อคูณเนี่ยอยากให้มีเยอะๆวัดอย่างนั้นให้มีเยอะๆในยุคนี้มิฉะนั้นก็จะต้องมาถูกตรวจสอบกันแล้วเก็บเอาไว้ทำอะไรในเรื่องเหล่านี้เนี่ยในยุคนี้เนี่ยนะท่าน เมื่อเราพัฒนาประเทศต้องมีหลักธรรมะหนึ่งขาดเติมให้เต็มสองเต็มให้รู้จักพอคำสอนเรื่องคำว่าพอเรื่องพอใจในสิ่งที่มีชั้นหมายถึงตอนบริโภคใช้สอยสันโดษไม่ได้ใช้ตอนทำงานทำงานทาให้เต็มที่ทำความดีห้ามสันโดษห้ามพอใจ กับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆห้ามมีธรรมสันโดดแต่วัตถุสันโดษมีได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าที่พระองค์ตัดสู้เนี่ยเพราะไม่สันโดษในการทำความดีบาเพ็ญบารมีนี่ไม่เคยหยุดเลยนะและพระชาติสุดท้ายออกผนวดนี่เขาเชิญให้เป็นเจ้าสำนักร่วมกับอ า, าลาระดาบทอุธกกดาบทไม่เป็น ต้องแสวงหาโพธิญาณต่อไปไม่สันโดษในการทำความดีเพราะฉะนั้นในการที่จะช่วยชาวบ้านทำความดีชาวพุทธเราสอนเยอะๆแต่ในการบริโภคต้องพอเพียงในการทำความดีต้องไม่พอเพียงไม่ใช่ได้รางวัลเสาอาโศกพูทธนามสินทำพอแล้วไม่ทำต่อไม่ใช่ต้องเป็นจุดกระตุ้นให้ทาความดีไม่รู้จบ ขาดเติมให้เต็มเต็มให้รู้จักพอพอให้รู้จักแบ่งแบ่งเหมือนพระเจ้าอโศกมหาราชมีอำนาจมียศมีอะไรต่างเพื่ออะไรเพื่อทำประโยชน์แก่ประชาชนเหมือนราชการที่ก้าประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามเป็นใหญ่คำสอนในพุทธศาสนาต้องเป็นไปเพื่อการนี้ พอให้รู้จักแบ่งแบ่งต้องให้เป็นธรรมเรายกประเทศของเราขึ้นไปสู่การพัฒนาแต่แต่ละหวังอย่าให้รวยกระจุกจนกระจายความมั่งคัง่งความสิทธิอะไรต่างต้องกระจายให้ทั่วถึงด้วยธรรมะในพระพุทธศาสนาที่พระคุณเจ้าต้องช่วยกันเทศช่วยกันสอน ในเรื่องสางค้าวัตถุทานโอ้อบอารีปิยวาจาวาจีไัยรส อ, อัตตจริยาสงครอบประชาชนสมานัตตาวานตนพอดีร่วมสุกร่วมทุกต้องเอามาใช้ต่อไปเพราะอะไรทานคือการให้ช่วยเติมให้เต็มในที่ขาดปิยวาจาช่วยสอนให้รู้จักพอเพียงอย่างถูกต้อง อย่าพอใจกับการทำความดีแต่พอใจในการบริโภคข้อสาอัตถจริยาแบ่งปันในในรัชการปัจจุบันพระเจ้าส ม, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการปัจจุบันทรงส่งเสริมให้พระสงฆนิกรออกมาทำอัตถจริยาเราเรียกว่าจิตอาสา กิจอาสาทุกวันนี้เนี่ยมันต้องทํามาจากจิตวิญญาณจิตใจผู้นําศีลธรรมคือผู้ที่ทําสิ่งเหล่านี้ด้วยความเต็มใจและสุดท้ายสมานนต์ ต, ตาร่วมสุขร่วมทุกมีทุกร่วมทุ ก, ม, ท ก, ม, ทกมีสุกร่วมเสพนั่นก็คือมีความเป็นธรรมแบ่งปันอย่างเป็นธรรมคนไทยด้วยกันต้อง เจริญด้วยกันไม่เรียกว่าไม่เลือกที่รักมักที่ชั่นไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีความสามัคคีปรองดอมอัตตานังอุปมังกตวะเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรเบียดเบียนกันมีแต่ให้เราอยากให้เขาปฏิบัติต่อเราอย่างไรเราก็ปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้น คือความเป็นธรรมแฟๆเขาเรียกสมานัตตาสรูปแล้วรัชการที่เก้าทรงธรรมสรรพวัตถุสี่ทานปิยวาจาอัฏฐจริยาสมานัตตาเรียกว่าขาดเติมให้เต็มเต็มให้รู้จักพอพอให้รู้จักแบ่งแบ่งให้เป็นธรรมอย่างสมานัตตารัชการที่สิบทรงเน้นอัฏฐจริยาจิตอาสา เราเป็นผู้นําศีลธรรมจะต้องรู้ว่าโดยเฉพาะในทางพุทธศาสนาส่วนไหนอย่างไรอยู่ในธรรมะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเผยแผ่ธรรมะอุปธรรมคุ้มครองพุทธศาสนาโดยเฉพาะอุปธรรมเอ่อโดยเฉพาะเผยแผ่ธรรมะในยุคดิจิตอลสื่อต่างๆควรจะให้ไวในทางสร้างสารรค์ให้ไวกว่าในทางทํำลายต้องแข่งกันและอุปธรรมคุ้มครองปกป้องพุทธศาสนา ออกมาพูดกันเยอะๆมาเผยแผ่ธรรมะมาอธิบายคุณค่าของธรรมะและให้กำลังใจซึ่งกันและกันการมอบรางวัลเสาอาโศกผู้นำทางศีลธรรมก็อยู่ตรงนี้ท่านให้กำลังใจแก่คนทำความดีเพื่อเขาจะได้ทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อพระศาสนาก็เป็นการอุปถรัรมบำรุงพระพุทธศาสนาะส่วนหนึ่งจึงขออนุโมทนาท่านผู้ เป็นกรรมาการข้ า, ารัตรูจัดการแจกรางวัลเพื่อมีการประทานรางวัลในบ่ายนี้โดยเฉพาะท่านประธานคือท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลและคณะขออนุโมทนาและขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยบุญกุศลที่ทุกท่านทุกคนได้บำเพ็ญให้เป็นไปโดยเฉพาะอนุภาพแห่งหลวงพ่อพระศรีสากยคะทศพลยานประธานพุทธมนฑนสุทัศน์ องค์พระประธานแห่งพุทธมนทนจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอํานวยอวยพรให้ท่านผู้รับรางวัลผู้สนับสนุนผู้จัดกิจการทั้งปวงจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัมภ์ันตรายทั้งปวงสมบูรณ์ในลาบยศสุขสันเสริมทุกทิพพาลาตรีการประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบได้รม ก็ขอให้ความประสงค์นั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมโมนโรถมุ่งมาตปราถนาทุกประการตลอดกาลละนานเอน